ประวัติติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบุวญาณสัมปันโนเสนอตอนที่15ความเพียนกล้าหลวงปูม่ม่นขอใส่บาตรหลงป่าและยาที่ถูกโรค หลวตามหาบุญญาสัมปันโนได้ให้อว่าธรรมเอาไว้ว่าตามธรรมในมงค ล, ลสูตรท่านแสดงเอาไว้ว่าสมมนานันจะทัศนังการเห็นสมณนาเป็นมงคลอันสูงสุดนั่นตาของเราเป็นมงคลแล้วเราได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมที่ท่านแสดงเป็นอัดเป็นธรรมออกมาหูก็เป็นมงคลแล้วจะูกได้กลิ่นดอกไม้หอมหวน คิดอยากจะเอาไปบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็เป็นมงคลแล้วลิ้นให้สัมผัสสัมพันธ์กับอะไรก็คิดถึงพระเจ้าพระสงฆ์คิดถึงพระพุทธศาสนาอยากเอาไปทําบุญให้ทานนี่ก็เป็นมงคลกายสัมผัสสัมพันธ์เย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็คิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็เป็นมงคล ท่านเรียกว่าเป็นมงคลทนั้นสมณะตามหลักธรรมที่ท่านแสดงไว้ในมงคลลสูตรมีสี่ประเภทสมณะที่หนึ่งได้แจ่พระโสดาสมณะที่สองได้แจ่พระสกิทาคาสมณะที่สามได้แจ่พระอนาคามีสมณะที่สี่ได้แจ่พระอรหัตตะบุคคลการเห็นสมณะทั้งสี่ประเภทนี้ จะเป็นประเภทใดก็ตามท่านจัดว่าเป็นมงคลอันสูงสุดแล้วลดหย่อนกันลงมาเป็นลำดับลำดาแห่งการเห็นและคุณธรรมของท่านผู้ที่เราได้พบได้เห็นนั้นการเห็นหลายครั้งหลายหนพบหลายครั้งหลายหนเจอหลายครั้งหลายหนก็เป็นมงคลอันสูงสุดขึ้นไปสุดท้ายก็มาเป็นมงคลอันสูงสุดในตัวของเราเองการเห็นสมณะภายนอกนั้น เป็นสื่อเป็นทางที่จะเห็นสมณะภายในคือความสวยของใจเมื่อเราได้เห็นแล้วเราก็มีความพอใจประพฤติปฏิบัติตัวเรื่อยๆบำเพ็ญตัวเรื่อยๆไปคําว่าพระโสดาพระสจิธาคาพระอนาคาคาพระอรหันนั้นไม่ได้เป็นสมบัติของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นสมบัติของผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเข้าไปแล้วโสดาปฏิมาคปฏิผล ก็เป็นสมบัติของผู้นั้นผู้นั้นเรื่อยไปจนถึงอรหันตบุคคลเรียกว่าเห็นสมณะภายในสมณะภายนอกได้แก่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านสมณะภายในได้แก่เห็นใจของตนมีความสงบก่มเย็นเป็นกระทั่งบรรลุธรรมโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันตบุคคลเป็นสมณะอันสูงสุดอันนี้สูงสุดอยู่กับตรงนี้สูงสุดภายนอกแล้ว ย้อนเข้ามาสูงสุดภายในแล้วมายุติกันที่สูงสุดภายในความหลุดพ้นจากทุกข์ก็คือเราเป็นผู้เห็นนี้แลงลวงตามหาบุญยนสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านในพรรษาที่สิบ ปีพุทธศักราช2486ขณะที่องค์ท่านจำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านนา ม, มตนตำบลตองโคบอเโคกสีสุพรรณจังังวดสกุนครเอาไว้ว่าจิตของเราเริ่มสงบตั้งหลักได้มาจากบ้านนาสีนวลเป็นที่แน่ใจแล้วแหละว่าไม่เสื่อมวัดบ้านนาโ ม, ม, ม์เป็นวัดที่ระลึกในชีวิตและความเพียนไม่เคยลืมเพราะตั้งแต่เราบวชมา การหักโหมทั้งทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันก็มีพรรษานั้นในชีวิตของเราคือพรรษาที่สิบความเพียรและความหักโหมมันเริ่มมาตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษาตกเดือนเมษายนและพฤษภาคมมาจากพระทาตุพนมกับพ่อแม่ครูจานมั่นท่านไปเผาศพพ่อแม่ครูจานเสากลับมาก็ไปรับท่านมาด้วยกันเขาเข้ามาอยู่บ้านนามนจําพรรษาที่นั่น จิตมันหมุนติ้วๆเริ่มแต่โน้นแล้วแหละสมาธิเริ่มแน่นไม่มีเสื่อมมาตั้งแต่เดือนเมษาแต่นี้ไม่เกี่ยวกับสมาธิแต่เป็นปัญญาในเวลาจนตรอกมันเป็นปัญญาสายฟ้าแลบสติปัญญากับกิเลสราวกับมัดคอติดกันไม่ใช้ปัญญาได้ยังไงเวลามันจะตายมันจนตรอกจนมุมก็ต้องใช้ปัญญาสิเวลารู้ขึ้นมามันก็รู้ด้วยปัญญา กลางวันไม่นอนเดินตรงกรมหมากพลูไม่แตะเลยในสามเดือนทิ้งเลยพ่อพันศาแล้วไปที่ไหนแต่ก่อนมันมีหมากพลูเต็มไปหมดนี่เขาเอามาถวายก็ฉันไปอย่างนั่นเองเลยฉันมาเรื่อยเรื่อยลุงตามหาบุญยนสัมปันโนรือเล่าชี้ว่าประวัติของท่าน ในขณะที่จำพรรษาที่บ้านนามนที่หลวงปู่มั่นภูริทัตเถระได้ขอใส่บาทท่านเอาไว้ว่าในปีที่เราจำพรรษาที่บ้านนามนท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเีระท่านหูดีตาดีองค์ท่านฉลาดมากเป็นจอมปราดในสมัยปัจจุบันใครจะเจงไปกว่าเพราะแม่ครูอาจารย์มั่นเล่าการสมาทานผู้ดมท่านก็รู้ว่าเราไม่รับอาหารที่ตามมาส่งทีหลัง แต่บทเวลาท่านจะใส่บาตรเราท่านก็พูดเป็นเชิงว่าขอใส่บาตรหน่อยท่านมหานี่เป็นสมณะบริโภคท่านก็ว่าอย่างนั้นนี่เป็นเครื่องบริโภคของสมณะขอนิมนรับเถิะก็หมายความว่าท่านเป็นผู้ใส่เองนั่นแหละบางครั้งตอนเช้านิสตามาจากทางจังหวัดน้องขายและจังหวัดสกลนครทำอาหารถวายบิณฑบาต เสร็จแล้วเขาก็ตามเข้ามาถวายพระในวัดนั้นเขาไม่ได้ไปดักใส่บาทนอกวัดเราก็ไม่กล้ารับกลัวทวดงจะขาดเดินผ่านนี้มาเลยสำหรับท่านก็รับให้เพราะสงสารเขาเท่าที่สังเกตดูความจริงท่านคงเห็นว่านี่มันเป็นทิฏฐีแฝงอยู่กับทุดงที่เราสมาธานนั้นท่านจึงช่วยดับเสยบ้างเพื่อให้เป็นข้อคิดหลายแง่หลายกระทงไม่เป็นลักษณะเถ็ตรงไปทายเดียว ท่านจึงหาอุบายต่างๆสอนเราทั้งทางอ้อมและทางตรงแต่เพราะความเคารพเลื่อใสายในองค์ท่านความรักท่านทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่สบายใจก็ยอมรับนี้แหลที่ว่าหลักใจกับหลักปฏิบัติต้องยอมรับว่าถูกในความจริงจังที่ปฏิบัตินี่แต่มันก็ไม่ถูกสําหรับทำที่สูงและละเอียดกว่านั้นเล็งดูเราเล็งดูท่านมองเราและมองท่านนั้นผิดกันอยู่มาก อย่างพ่อแม่ครูจารมั่นท่านมองอะไรท่านมองตลอดทั่วถึงและพอเหมาะพอสมทุกสิ่งทุกอย่างภายในใจไม่เหมือนเราที่มองหน้าเดียวแง่เดียวแบบโง่โง่ไม่มองด้วยสติปัญญาเหมือนองค์ท่านเราจึงยอมรับตรงนั้นนี้พูดถึงการปฏิบัติธรรมอยู่บ้านนามนกับพ่อแม่ครูจารย์มั่น หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าประวัติของท่านต่อไปอีกว่าพอตกถึงเดือนพฤศจิกายนปีศกราช .2486 ก็กราบลาพ่อแม่ครูจาร์มั่นออกจากวัดบ้านนามน์ไปเที่ยวกรรมาฐานออกเที่ยวทุดงพูดอย่างนี้เราก็ยังไม่ลืมเราเคยพูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังที่เราเคยหลงปางนะ่โอ๊ยมันก็บรรดา น, นี่นะมาพิจารณาดูถ้าธรรมดาแล้ว ต้องตายจริงๆนี่แน่นอนจนเขาตกอกตกใจหลงป่าเข้าไปในหุบเขาหุบเขาเล็กๆเขาทํานาในที่ลุ่มส่วนที่สูงเขาก็ทําไร่มีสามสี่ครอบครัวที่อยู่ในป่านั้นขณะ ก, กําลังเดินขึ้นเขาพ่ากันหลงทิศหลงทางนี่มันก็น่าคิดอยู่มากนะคือมันน่าตายจริงๆเขาตกใจจริงๆว่าโอ้ท่านอาจารย์หลงทางมาได้อย่างไรนี่ ถ้าไม่มาเจอพวกผมนี่ยังไงท่านต้องตายทั้งสมองค์เขาว่าอย่างนี้เลยนะและ้วทำไมาจะต้องตายละโยมเราก็ว่าอย่างนั้นท่านอาจารย์ก็มันมีแต่ภูเขาทั้งนั้นแถวนี้ไม่มีบ้านคนเลยนี่ท่านจะไปยังไงขึ้นเขาวันหนึ่งก็จะได้ประมาณสองลูกพอวันที่สองมาก็ได้เพียงลูกเดียวต่อมาก็เปี่ยนปลายโน้นนี้ไปไม่ได้ก็อยู่แล้วภูเขามันกี่สิบลูกถึงจะผ่านพ้นไปได้ เขาว่าอย่างนั้นนะเขาก็พูดมีเหตุมีผลน่าฟังมากนี่อย่างไรปุ๊บปั๊บลงมาถึงนี่พอดีเขาว่าแล้วเขาก็บอกภรรยาให้รีบเอาเม่นมาต้มเรานึกว่าเขาจะข้ามเม่นให้เรากินก็เราไม่รู้ที่แท้เม่นภาษาของเขามันก็คือมันก็ภาษาภูไทยเขาเรียกเม่นแต่เราไม่ได้คิดว่ามันละสิเรานึกว่าเขาจะข้าเม่นมาถวายน่ะสิก็เวลาเขามาฟันหัวเผือกหัวมันปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บ เราก็ดูเราก็รู้อยู่ว่าเผือกว่ามันแต่มันไม่ใช่เม่นถ้าเห็นเขาจูงแม่นออกมาจะมาฆ่าเราจะห้ามเขา ท, าทันทีพระสามองค์ที่ไปด้วยกันมีลาวเมืองสว่างลาวเมืองอุบลลาวเมืองอุดรหลวงตาบัวนี่ลาวเมืองอุดรตอนนั้นเราเป็นหัวหน้ายังไม่ได้แยกกันไปตามธรรมดาก็จะแยกไปทางละองค์พอลงป่าแล้วก็เลยพูดกันว่าเอาลองดูวันนี้สิว่า ใครจะภาวนาดีจะรู้ได้ยังไงต่ อ, อยังไงทิศทางของบ้านของเมืองมันอยู่ตรงไหนตรงไหนแล้วให้รู้จะรู้ทางภาวนาก็ได้หรือรู้ทางฝันก็นแล้วแต่นะวันนี้พวกเรามาทดลองดูจากนั้นต่างองค์ก็ต่างเข้าที่ภักภาวนาของใครของมันพอตอนเช้าเชิสว่างก็ออกมาหากันองค์หนึ่งก็บอกว่าบ้านต้องอยู่ทางนี้ชี้ทางทิศให้ดูนะรู้ได้ยังไงละท่านมีแต่ผู้หญิงมันไปนี้ หลังไลลไปนี้นิวิตภาวนาบอกอย่างนี้และองค์นี้หลังว่ายังไงองค์นั้นท่านก็ตอบว่าบ้านต้องอยู่ทางนี้รู้ได้ยังไงละท่านกระทางนี้มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นไปนี้ว่าอย่างนั้นเออถ้าอย่างนั้นเราจะขอพูดขึ้นบ้างเราก็เลยว่าทางนี้มันไม่ใช่บ้านนะมันเป็นทับนะเมื่อคือนนี้โยมแม่มาหามีเด็ผู้ชายสมถึงสี่คนโยมแม่เป็นหัวหน้านามา เราจรึงถามว่าโยมแม่มาจากไหนนี่ถึงได้มาอยู่กลางป่ากลางเขาอย่างนี้อุ้ยนี่ให้มาจากทางทับนี้นั่นมองไปเห็นไฟอยู่นั่นและมองไปก็เห็นจริงๆนะเด็กพวกนั้นก็มาขนบริขารคนนั้นได้บาทคนนี้ได้กรดคนนี้ได้มุงแล้วก็สะพายโยมแม่เป็นหัวหน้าพาไปแล้วก็เดินไปตรงทับนั่นแหละนี้คอยดูหน้าวันนี้มันจะเป็นอย่างไรเราว่า ถ้ามันอยู่ทางด้านนี้ส่วนบ้านต้องอยู่ทางด้านนี้อย่างแน่นอนเราก็ชี้บอกอย่างนั้นจากนั้นพวกเราก็เดินทุดงกันต่อไปเดินทางไม่คดไม่เคี้ยวตรงไปเลยขึ้นตรงขึ้นเขาก็ขึ้นเลยเพราะบ้านอยู่ตรงนี้ก็แบบเดียวกันไม่ต้องคดต้องโคง้งมันจะผิดจากความฝันมันบอกชี้บอกว่าบ้านอยู่ตรงนี้ก็ขึ้นเขาเลย ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสี่โมงเช้ากว่าๆถึงไปถึงชาวไร่ที่ว่านีนังมันก็แปลงอยู่ปีนเขาลงไปลงไปในหุบลงไปเจอคนอยู่ในนั้นนั่นแหละเขาก็ตกใจไปแล้วไปเจอผู้หญิงอย่างที่ความฝันแม่บอกจริงๆนะผู้หญิงตามข้าวด้วยมือนะครกอันหนึ่งเขาตั้งไว้นี่เขาตาได้วยมือปุบปับปบปับดีสาก็ตมนะเขาไม่โดนกันเลยเขาชมิชนานาญพอ พอพวกเราเข้ามาพวกเขาก็ตกใจหลวงปู่มาได้อย่างไรให้มีใครมาแถวนี้ได้เลยเมื่อคือนนี้ฝันเห็นว่าหลวงปู่มาเยี่ยมกันเขาว่ากันอย่างนั้นเมื่อคือนนี้เขาพูดกันอยู่นี่ฝันเห็นญาปู่คือพระท่านมาเยี่ยมเมื่อคือนนี้เขาก็เลยรีบไปหาเรียกเด็กๆมันก็ไปเล่นกันอยู่นู่นเด็กผู้ชายก็รีบไปตามพ่อเขาคือตามไร่ตามสวนจะเรียกกันมาทีนี้มาต่างคน ต, งต่างตกใจแหละมาได้อย่างไร หลงมาได้อย่างไรอย่างนี้ถ้าไม่เจอพวกผมนี้แล้วท่านตายแน่แน่ท่านไม่มีเหลือชีวิตกลับเลยอย่างแน่นอนพวกเขาว่ากันอย่างนี้เขาก็ชี้แจงแสดงเหตุผลให้เราทราบแล้วเราก็บอกกับหมู่เพื่อนตั้งแต่ต้นว่าในวันนี้จะมีคนไปส่งพวกเรานะถ้าเห็นเด็กมาช่วยขนของเราก็อย่าบอกเขานะอย่าบอกให้เขาตามส่งตามเสียเราให้มันเป็นเองตามนิมิตความฝันนี้มันจะเป็นอย่างไรก็ให้มันรู้ไป พอเขาจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าพวกผมต้องไปส่งถ้าไม่ไปส่งท่านต้องตายเพราะไม่มีทางออกเขาก็พากันเดินย้อนกลับไปทางโน้นแล้วย้อนกลับไปอีกทางเพราะไม่มีทางอื่นที่จะไปได้เพราะว่าพวกเราหลงเข้าป่าอย่างลึกๆเวลาจนตรอกมันน่าจะตายแต่มันก็ไม่ตายทั้งสามองค์มันยังพอเป็นพอไปไม่จนตรอกใจต่างองค์ก็ต่างเปิดไม่มีองค์ไหนสั่งสมอะไร สมบัติมีแต่บาท ก, กับจีวรเท่านั้นไปเพื่ อ, อเพื่อทำอย่างเดียวเงินแม้สตางค์หนึ่งไม่เคยติดกระเป๋าตั้งแต่ไหนแต่ไรมามีแต่เสียสลับนี่พูดไม่ใช่อวดนะคือพูดให้เป็นคติอันหนึ่งเราเองก็แปลกใจอยู่เพราะฉะนั้นถึงว่าความดีทำเถอะไม่ไปไหนแหละเราเห็นประจักษ์ในเวลาจนตรอกจนมุมมาแล้ว หลวงตามหาบัวยันทสัมปนโนได้เล่าประวัติของท่านต่อไปอีกว่าเวลาออกมาจากป่าจากเขาหอบปัญหามาจนก้าวขาไม่ออกพอมากาปเปลียนพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านก็ใส่เปรี้ยงเปรี้ยงความสงสัยพังทลายลงไปหมดเลยตัวเบาวิววิวถ้าตรงไหนยังไม่ลงกันก็ถกกันบรรดาครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านไม่มีใครเป็นพระตัวสนตัวดือ้อยิ่งกว่าเรา คือเราต้องการความจริงท่านก็ทราบความจริงของเราเพราะเราไม่ใช่คนหน้าด้านที่จะไปอวดทิธิมาหน้าต่อท่านท่านก็ทราบท่านจึงแสดงให้เราฟังผู้รู้แก้ปัญหามันผิดกันกับผู้ไม่รู้อยู่มากก็เหมือนหมอเถื่อนกับหมอปริญญานั่นแหละผิดกันยังไงก็ดูเอาสิหมอเถื่อนนั้นทุ่มยากันทั้งหีดีไม่ดีคนไข้าตายหมอปริญญาเขาไม่ใช่อย่างนั้นเขาทอาการแล้วตรวจดูแล้ว เขาก็หยิบยามานิดเดียวเท่านั้นใส่ปั๊บเลยควรฉีดก็ฉีดควรให้รับทานก็รับทานมันก็หายไปเลยมันผิดกันไม่จำเป็นต้องยกยามาทั้งหี้นี่ก็เหมือนกันทำอันใดที่จำเป็นเหมาะสมกับปัญหาที่เกิดเวลานี้ของคนนี้ท่านใส่เกลี้ยงเดียวเท่านั้นจบเลย